เอาไปโชว์เขาบ้างทางด้านวัตถุเขาเจริญกว่าเราเท่าไหร่เอาอะไรไปโชว์ไม่มีอะไรไปโชว์ต้องเอาธรรมเข้าโชว์ต้องเอาธรรมภายในออกโชว์พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกด้วยธรรมภายใน